มันคนที่มีความอดทนเนี่ยนะจึงมองเห็นทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่ถือโอกาสล่วงเลยที่จะเจริญกุศลเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอธิบายได้เสมอว่าต้องทํากุศลถ้าไม่ทํากุศลแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำํำนอย่างปกติเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคนพ่านทั้งหลายคนเข่าทั้งหลายเมื่อเจออุปสรรคขัดข้องเจออกุศลวิบากระบอกอู้อธิบายว่าเพราะมัวแต่อกุศลวิบากกเลยไม่ได้เจริญกุศล พอไปเจอกุศลวิบากมัวแต่รับสิ่งดีๆก็เลยลืมเจริญกุศลอีกเนี่ยพราะแสดงว่าแสดงว่าตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ไว้ไม่ดีนะคนที่ตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ไว้ดีก็บอกว่านี่นะขณะเราทํากุศลอย่างนี้อยู่อกุศลวิบากยังให้ผลถ้าไปเจอกุศลวิบากอีกนี่นะเพราะผลแข่งบุญเก่าถ้าเราไม่เจริญไว้แล้วเราจะได้ประสบอย่างนี้อีกต่อไปไหมก็ต้องรีบเจริญนี่นะขนาดผลของ ทานศีลยังมีความสุขขนาดนี้ถ้าผลแห่งมรรคผลน่ะจะดีขนาดไหนเป็นต้นก็ขวนขวายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะด้วยเหตุผลใดอธิบายว่ามุ่งเจริญกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะส่วนต่อไปอ่ะสัจจะบา ร, รมีนะั้นมีการพูดไม่ผิดเป็นลักษณะเนี่ยนะพูดไม่ผิดไม่พลาด มีการประกาศตามความเป็นจริง น, นะนะพู้ตามความเป็นจริง น, นะคนที่พูดจริงเนี่ยนะองค์ประกอบของคําสัตย์คําจริงในมีอะไรบ้างพูดถูกการพูดถูกเวลาพูดถูกบุคคลผู้ถูกสถานที่พูดด้วยีเรียกว่าโดยการละอันสมควรรู้เวลารู้ความเหมาะสมคําพูดอันนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นคําพูดที่เป็นที่เรียกว่าว า, วาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตต้องมีองค์นะต้องไม่เท็จต้องไม่หยาบต้องจริงต้อง ประสานประโยชน์แล้วต้องมีประโยชน์แล้วรู้กาละเนี่ยนะเป็นกาลวาทีบุคคลรู้เวลาว่าจะพูดเมื่อไรคือบางคนเนี่ยนะที่มันไม่ค่อยได้ประโยชน์มากๆก็คือพูดจริงพูดถูกแต่พูดผิดเวลานะพูดผิดเวลาพูดผิดสถานการณ์หรือพูดผิดคนไปกเรียกว่าของมีราคาเนี่ยนะอย่างที่ในชาดกเล่า ว, ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์ เทศให้พระราชาฟังเนี่ยโอ้โหพระราชาเลื่อมสายมัง่งยกบ้านสวยให้เป็นตำบลเลยบอกไม่รับอ่ะเสร็จแล้วก็ไปเทศให้คนพายเรือฟังถูกตบสะฟันร่วงหมดเลยเนี่ยนะเพราะใครว่าพูดพูดเนี่ยจะต้องพูดให้ถูกคนเหมือนกันนะของของมีราคาเป็นต้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าโอ้โหเพชรนี่สวยมากบอกลิงช่วยดูหน่อยสิมันสวยแค่ไหนเนี่ยนะบอก็เล็งมองไม่รู้จักนี่คืออะไรงั้นกล้วยลูกหนึง่งมีราคากว่าเยอะเนี่ยนะ เหมือนกันใช่ไหมไปเจอทองคําเนี่ยบอกว่้ไก่บอกว่าข้าเปลือกดีกว่าเอาข้าเปลือกมาเรียงนะไก่จะเลือกเอาอะไรมันก็ต้องดูว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันฉั้นคําพูดที่จริงเนี่ยจะต้องมีกาละแล้วก็ต้องพูดให้ถูกการูกบุคคลพูดถูกเวลาแล้วก็พูดถูกชุมชนเป็นต้นต่อไปมีความชื่นใจเป็นอาการที่ปรากฏคนที่พูดจริงแล้วพูดแล้วมีความสุขบางคนพูดพูดจริงแบบพูดด้วยความโกรธเนี่ยนะ แสดงว่าไม่ได้ชื่นใจอะไรนั้นตรงนี้บอกว่าชื่นใจเป็นอาการที่ปรากฏของคนที่มีคําสั์คําจริงแล้วก็สุดท้ายมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีโสรจะมีความสงบสงี่ยมเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะมีโสรจะเป็นเหตุใกล้ส่วนอธิฐานบารมีอธิฐานบารมีนั้นมีความตั้งใจในโพที่สมพานเป็นลักษณะเรียกว่ามุ่งเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะมุ่งมุ่งอะไร มุ่งการตรัสรู้เป็นหลักนะมุ่งโพธิสมภารมุ่งมุ่งทำที่อุปการะต่อการบรรลุเป็นประมาณคือคือท่านมองเห็นว่าสภาพสภาพจิตตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์กัดสภาพจิตที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ต่างกันไหมต่างกันแล้วทํำยังไงที่จะยกระดับยกภาวะคุณภาพจิตจนได้เป็นพระพุทธเจ้าลักษณะนั้นเรียกว่าอธิฏฐานบารามีตั้งใจในโพธิสมภาร ตั้งใจในองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้ตั้งใจให้เพิ่มพูนคุณธรรมที่จะให้ตรัสรู้คุณธรรมเหล่าน oh oh oh ี้ค e ู่ควรกับการตรัสรู้หรือยังคู่ควรกับการตรัสรู้หรือยังคู่ควรแต่การตรัสรู้หรือยังบํารุงบําเรอโปรธิยานดุดตุดตัวเองเป็นธาตุพระโพธิสัตว์ถ้าจะแปลกในหนึ่งแบบธาตุแห่งโพธิยานก็ได้ธาตธาตุก็เรียกว่ารับใช้เอาใจทุกอย่างเพื่อให้ได้โพธิยานเนี่ยนะรับใช้โอ้ทนทุกอย่างเพื่อเพื่อ เพื่อโพธิยานกว่าจะได้โพธิยานเนี่ยนะมันตั้งใจต้องเพื่อโพธิยานทำเพื่อโพธิยานเท่านั้นนะมีการครอบงำสิ่งอันเป็นปฏิบัติต่อโพธิสมภารเป็นกิจอะไรที่ขวางต่อการเจริญเพื่อโพธิยานนะท่านตัดออกหมดเลยครอบงกำกาจัดตัดออกไปหมดเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าอยู่ในสิ่งที่ท่านสนใจเนี่ยนะนะสามารถครอบงกำกาจัดเกลี้วงไม่มีอะไรที่มาขวาง ขวางในการเจริญกุศลธรรมของท่านท่านอธิษฐานไว้เลยว่าไม่มีอะไรขวางต่อการเจริญโพธิสมภารของท่านแล้วก็มีความไม่หวั่นไหวในการครอบงำสิ่งที่เป็นปฏิปักษเป็นอาการปรากฏกราท่านไม่หวั่นไหวเลยอย่างเช่นในชาดกหลายเรื่องที่เราเคยฟังมาแล้วใช่เราใจของเราไม่หวั่นไหวเลยที่จะให้ตาเป็นทานใจของเราไม่หวั่นไหวเลยที่จะอะไรให้ให้ให้ให้ให้ใหให เป็นทานเนี่ยนะไม่มีความหวั่น ไ, วไหวแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะนั่นแหละเป็นลักษณะที่ปรากฏของผู้ที่มีอธิฐานบารมีแล้วก็มีโพธิสมภารเป็นเหตุใกล้แบบทุกอย่างเพื่อโพธิสมภารทุกอย่างเพื่อโพธิสมภารนั้นอธิฐานบารมีนี่ไม่ใช่ปักดิ่งลึกลงโน่นอะ่ะบาดาลไม่ใช่นะหมายว่ามีแต่ว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจน คู่ควรแก่แตรัสรูณอธิฐานเนี่ยเป็นการตั้งใจเพื่อให้คุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยงอกเงยเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปเมตตาเมตตาก็คือมีความเป็นไปแห่งอาการเป็นประโยชน์เป็นลักษณะหรืออีกแปลกในหนึ่งก็คือการนําประโยชน์เข้าไปนี่เป็นลักษณะของเมตตาเรียกว่ามุ่งประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะว่าหมายถึงว่าจะ จะช่วยอะไรคนอื่นได้บ้างนะคิดง่ายๆ่ายว่าจะช่วยคนอื่นอะไรได้บ้างช่วยช่วยอะไรเข้าได้บ้างลักษณะที่เข้าไปช่วยเข้าไปเพิ่มพูนความสุขเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่คนเหล่าใดอย่างไรนั่นเป็นลักษณะของเมต iffer, ตา <AR>, เรียกว่าหาทางที่จะช่วยคนอื่นนะนะคนนี้จะเราต้องช่วยเรื่องนี้คนนี้ต้องช่วยเพิ่มพูนเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นมีแต่การน้อมไปเพื่อประโยชน์และความสุขมีแต่การเข้าไปเพิ่มให้แก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะ นั่นแหละเป็นลักษณะของเมตตาแล้วก็มีการนำประโยชน์เข้าไปให้เป็นกิจไม่ใช่คิดแต่ใจอย่างนะเพราะเมตตานี่เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังคือมีความแต่มีแต่ความคิดว่านำประโยชน์เข้าไปให้แก่สาพพะสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรเนี่ยนะเรือมีการกําจัด ความอาฆาตเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะกจัดความโกรธเนี่ยนะคือคิดคิดจนไม่โกรธอ่ะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยนะคิดจนไม่โกรธทั้งๆที่โกรธมีเหตุให้สมควรโกรธแต่คิดจนไม่โกรธเนี่ยนะมีคิดจนไม่โกรธมีความสุภาพเป็นอาการที่ปรากฏคนที่มีเมตานี่มีความสุภาพเนี่ยนะมีความสุภาพเรียกว่ามีความงดงามนะสุภาพก็คือความงดงามเป็นอาการปรากฏ อนคนที่ไม่สุภาพทางกายวาจาเป็นยังไงนั่นแหละในตรงกันข้ามก็คือมีความสุภาพทางกายและทางวาจาอนลักษณะของคนมีเมตากับคนไม่มีเมตาก็คงคงงแยกเป็นอ่ะนะคงแยกเป็นอ่ะนะนี่ต่อไปมีมีปิยมนาปะสัตเป็นเหตุใกล้มองทุกคนเป็นลูกรักหมดเลยะนะนย บอกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นพระ้าหันเนี่ยนะท่านสอนให้ภิกษุรูปอื่นเจริญเมตตาบอกว่าผู้ที่จะอยู่ในป่าช้าเพึงเห็นสรรวสัตว์ทั้งหลายเหมือนบุตรน้อยของตนเนี่ยนะเราถ้าคิดอย่างนี้มองเห็นผีเหมือนลูกคนที่รักของเราเนี่ยนะดีใจไหมอ้าวเขมีเมตตาเขทั้งมีเมตตาแม้กระทั่งต่อเทวดาและมนุษย์สรตวสัตว์ทั้งหลายเหมือนบุตรสุดที่รักคนเดียวเห็นเขาเหมือนกับแก้วตาดวงใจของเราอะนะ่ย มันถามว่ารังเกียจที่จะเห็นไหมถ้ามีเมตตาก็บอกไม่รังเกียจที่จะเห็นเนี่ยลักษณะนั้นของเมตตาแต่อย่าลืมเรื่องปัญญาเข้าไปด้วยกัแล้วกันเดี๋ยวเอาไปเอามาอา้าวหมดบุญไปตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะโลภะเอาไปตั้งเรียบไปหมดเลยนะกลายเป็นโง่เขลาไปเลยก็ไม่ใช่นะคนที่มีเมตตาจริงๆเนะี่ยคือมีปัญญามากจึงจะบริหารเมตตาได้อย่างสม่ำเสมอพันลักษณะของเมตตาเนี่ยนะ เห็นสัตว์เป็นที่น่าพอใจเนี่ยนะเห็นสัตว์โดยความเป็นบุคคลที่น่าพอใจคําว่าบุคคลที่น่าพอใจหมายว่าพระพุทธเจ้านี่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้ใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าเทศแล้วคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมทําไมพระองค์ไม่เทศทั้งวันทั้งคืนนี่ยคือพระองค์ไม่ได้มีเมตตาอย่างเดียวพระองค์มีปัญญาด้วยบางคนเนี่ยมีเมตตาขยันมากแต่ไม่รู้อะ อยากให้คนอื่นได้รับประโยชน์พูดมากตอยากให้เขาได้จริงๆรกลายเป็นบ่นไปเลยคราว น, นี้เขาอยากได้เพิ่มไหมไม่แน่เพรันคําว่ามีเมตตาเนี่ยนะเห็นบุคคลที่น่าพอใจเนี่ยนะอยากสมมุติว่าอย่างเราจะช่วยคนที่เราพอใจเนี่ยจะต้องรู้กาละรู้เวลารู้องค์ประกอบอย่าลืมว่าบารมีทุกข้อต้องมีปัญญาประกอบเสมอมีปัญญาประกอบกับทุกข้อเนี่ยนะเขาบอกที่คุณมีเมตตาเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้ามีปัญญาด้วยนะดีที่สุดถ้ามีเมตตาแต่าขาดปัญญา เดร้อนนะเนี่ยนะบางคนเนี่เขาบอกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะไปมีเมตตาต่อบางคนก็เลยไปเมตตาก็เลยถูกหลอกเลยก็่างนั้นเนี่ยเพราะเขามีเมตตาแท้ๆก็เลยถูกโกงว่า ง, งั้นเพราะเมตตาจริงๆอ่ะ ไม่ใช่เมตตา น, นั่นนะเพราะความโง่ก็เลยถูกโกงเพราะความโง่ก็เลยถูกหลอกเพราะความโง่เลยเดือดร้อนแล้วอ้างเมตตาบอกโอ้ยทำเกว่ยวกับความโง่แท้ๆและอ้างคุณธรรมมาตัวเองเสียหายอันที่จริงไม่ใช่เพราะนั้นคนที่มีเมตตาที่จะรักษาได้ตลอดฟังเขาต้องเป็นคนที่มีปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะคนที่มีเมตตาเนี่ยนะไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่มีปัญญาทําให้ไม่เบียดเบียนตนนั้นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นทําเพื่อผู้อื่นแต่ถ้าเบียดเบียนตนแน่หรือว่ามีเมตตาจริงเดี๋ยววันหลังมานั่งรํำพึงรําพันธุ์นั่งบนนั่งเพอ้ออยู่นั่นแหละขาดเมตตาหรือโง่ขเขลามันจะต้องศึกษาเมตตาให้ดีๆไม่งั้นกลายเป็นเจริญความโง่เนี่ยนะบอกโอ้เนี่ยนะฉันช่วยเหลือคนอื่นจนหมดตัวเลยว่าเขามีเมตตาต่อมาหาโจรอเอามาหาโจรมาเลี้ยงเต้ไปหมดเมตตาต่องูเหา่างูเห่ามาเลี้ยงเต็มบ้านไปหมดเลยดีไหม มีเมตตาต่อสัตว์ ร, รสาททั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นญาติของเราหมดก็เลยเปิดบ้านเปิดเอาแก้วแหวนเงินทองมาวางกองไว้ทั่วไปหมดเลยนะอา้าวมีเมตตาไงใครอยากได้ก็เอาไปใช้อย่างเงี้ยนะศึกษาให้ดีนะไม่ใช่ว่าเมตตาคือความโง่เขลานะที่บายไปที่บายมากลายเป็นความโง่เขลาพระท่านโง่เขลาเมื่อไหร่บอกว่าถ้าผลของเมตตาที่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะจะรับประโยชน์และความสุขตลอดไปและยั่งยืนมีความสุข อย่างยืดยาวและยั่งยืนแต่คนที่เมตตาที่ไม่มีปัญญาประกอบไม่ยั่งยืนก็อบอกเพราะเมตตาจนบางคนเขอบอกเมตตาเกินประมาณจะก่อความรําคาญไม่สิ้นสุดจริงๆอันนั้นไม่ใช่เมตตาอันนั้นคือความโง่เขลาเกินประมาณเนี่ยนะก็รําคาญตลอดไปว่างั้นถ้าให้ถูกเป็นยังไงจริงๆแล้วเมตตาจะไม่เคยสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใดมีแต่ว่าเมตตาทําคําจุนโลกเนี่ยนะ เมตตาธรรมมีแต่คำจุนโลกแต่ถ้าเมตตาที่ขาดปัญญาเมื่อใดเสียหายเพราะฉะนั้นคนที่มีเมตตามากอยู่แล้วก็ดีคือควรเพิ่มปัญญาคนที่มีปัญญาอยู่แล้วก็ดีควรจะเพิ่มเมตตาถ้ามีทั้งปัญญาและมีทั้งเมตตาก็กลายเป็นผู้ที่มีวิชาและจรณะเนี่ยมีวิชาและจรณะต่อไปอุเบกขาอุเบกขานั้นมีความเป็นไปโดยอาการเป็นกลางเป็นลักษณะ เครียกว่าวางใจได้เสมอในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาวางใจว่าทําใจไว้ว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะไม่ต่างกันแล้วก็มีความเสมอกันเป็นรัะมีความเสมอกันหมายว่าเสมอกันในอะไรในโลกธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายเสมอกันทั้งสุขและทุกเสมอกันในนินทาและสรรเสริญเสมอกันในลาบและความเสื่อมลาบเห็นว่าไม่ต่างกัน นั่นแหละเรียกว่าเป็นเป็นผู้มีอุเบกขาพนัผลกิจของอุเบกขาก็คือเห็นความเสมอกันในโลกธรรม ท, ทั้งหลายว่าโลก ก, ก็เป็นอย่างนี้แล้เนี่ยนะเดี๋ยวฝ น, นก็ตกเย็นเดี๋ยวก็แดดออกร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นมันก็เป็นปกติของโลกเนี่ยนะมันความสุขความทุกข์ก็เป็นปกติของโลกไม่มีอะไรพิเศษอะไรหรอกก็เราวางใจเป็นกลางได้เจอคนเลวกับคนชั่วนี่ก็บอกก็อย่างนี้แล้ก็มีคนดีมีคนเลว แต่อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวก็แยกคนดีแยกคนชั่วไม่เป็นเห็นทุกคนเสมอกันไปหมดอันนั่นก็ตาถัวอีกแน่นอน น, น, นะในคำว่าเสมอกันในที่นี้นี่หมายความว่าในความที่เห็นความเป็นธรรมะต่างๆไม่มีความต่างกันว่าเออนี่แหละเป็นธรรมประจําโลกทั้งสุขและทุกข์เป็นต้นมีการสงบความเครียดแค้นและความเสื่อมเป็นอาการปรากฏก็คือคนที่มีอุเบกขาจริงๆเนี่ยนะก็คือคนที่ปล่อยวางหมายความว่าไม่เก็บเอา ความเครียดความเดือดร้อนความห ง, งุดหงิดความรำคาญมามาใส่ใจเลยนะไม่เก็บความลาบากใจมาคิดเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็มีกรรมสักตาเป็นเหตุใกล้มีการพิจารณาอยู่เสมอว่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็มาด้วยกรรมของเขาสมมติถาคนอื่นเขาทำเลวเนี่ยนะเราต้องไปรับผลบาปแทนเขาไหม เว้นแต่ว่าระบบตัวบทกฎหมายในสมัยใหม่เนี่ยนะอาจจะเชื่อมโยงกันต่อไปแต่ถ้าโดยหลักกรร ม, มสศกตาจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยทุกคนเข้าก็มาด้วยกรรมของเขาเขาก็จะไปด้วยกรรมของเขาทุกคนก็สเสวยผลแห่งสุขและทุกเท่ากันคือคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเห็นว่าสัตว์นี่มีกรรมเป็นขององตนจริงๆถึงคนอื่นก็ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงมีคนไข้อยู่คนหนึ่งเข้าไปที่วัดคนป่วยเป็นโรคจิตด้วย แล้วก็เป็นขี้กลากเกือบทั้งตัวด้วยเนี่ยนะคันก็ยิงกระยิงก็ยิงกรยิงแล้วก็เป็นโรคจิตมีปัญหาตลอดให้ยามันก็ไม่ทาให้อะไรมันก็มันคันแล้วมันก็ร้องโอดโอยครนครางแล้วมันก็เดือดร้อนเนี่ยนะคนหวังดีก็มียาก็มีแต่ช่วยอะไรไม่ได้ก็นั่นแหละบอกอ่าสัตว์นี่มีกรรมเป็นของของตนจริง ๆ, ๆเคยเห็นสุนัขขี่เรือนไหม<ๆ>เคยนั่นแหละวัดมีเยอะมากมาใช่ไหมพวกสุนัขขี้เรือนเนี่ยถามมันทาไงอ่ นั่นแหละมันสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆ น, นะสัพพะสัตว์ทั้งหลายมาด้วยกรรมของตนมันทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกรรมของตนเสเวอผลบุญผลบาแห่งตนมันเมืออ่อเราเองก็เหมือนกันเราก็จะรับผิดชอบตัวเรานี่แหละ น, นะเราจะรับผิดหมายคือว่าผลแห่งความชั่วทั้งหลายที่เราทํามาความผิดเหล่านั้นตกที่เราแต่เพียงผู้เดียวถามว่าถ้าเป็นความชอบ สิ่งใดที่เป็นบุญกุศลนั้นเราก็รับชอบแต่เพียงผู้เดียวพันรับผิดรับชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่เพึ่งอาศัยใครจะทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาป กุศลหรืออกุศลก็สวยผลของกรรมตามไปก็ก็รับผิดชอบตัวเองไปทุกคนจริงๆในสังสารวัตรเนี่ยนะมันรับผิดชอบตัวเองโดยโดยจริงๆแต่คําพูดนี้ไม่ได้ปฏิเสธกาลยานมิตรและไม่ได้ตําหนิปาประมิตรนะก็คือแยกให้ว่าทุกคนเนี่ยนะก็กรรมของตัวนี่แหละที่ไปเลือกครบปาปะมิตรแต่ก็บุญของตัวนั่นแหละที่ไปเลือกครบ กัลยาณมิตรเป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกคนมีกรรมเป็นของของตนถ้าเขาคบปาปมิตรเขาก็เลวร้ายตามสมควรแก่การครบปาปมิตรถ้าเขาคบกัลยาณมิตรเขาก็ประสบความเจริญแต่ต่อการที่เขาคบกัลยาณมิตรก็สิ่งที่เขาทําคําที่เขาพูดคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาจะได้รับวิบากสมควรแก่ฐานะของเขาเขารับผิดชอบตัวเขาเองว่างั้นสรุปแปลง่ายง่ายว่า ทุกคนรับผิดชอบตัวเองเกิดมานําพังตัวรับผิดชอบตัวไปไปเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมแบบไหนตัวเองก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวเองอยู่เสมอถ้าทุกคนรับผิดชอบตัวเองอย่างนี้แล้วแล้วเราจะไปป่วยกับเขาทําไมคือคือบางคนเนี่ยนะมันเป็นคนที่เหมือนกับมีความรู้สึกว่ารับผิดชอบโลกทั้งโลกโดยที่โลกทั้งโลกเขาไม่อยากให้ตัวมารับผิดชอบเขาเลยไงนะก็เลยกลายเป็น ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนั้นคนที่มีกรรมสกตาพิจารณาสัตว์มีกรรมเป็นขององตนเนี่ยน ะ, ะเขาจะมีความรู้จังหวะรู้เวลารู้ความเหมาะสมเนี่ยนะช่วยในเวลาที่สมควรจะช่วยพันพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระองค์ความที่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งสิบมาจนเต็มเนี่ยพระองค์จึงรู้พระพุทธเจ้าจึงเป็นกาละวาทีบุคคลเนี่ยนะเรียกว่าพระองค์นี่รู้สัพปริสธรรมเจ็ดใช่ไหมก็เรียกว่า อัตถันยูทำมันยูเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลอัตตันยูเนี่ยนะรู้ตนแล้วก็มัตตันยูรู้ประมาณรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การกับการลชุมชนชุมชนก็เรียกปริสันยูแล้วก็รู้ความแตกต่างของบุคคลด้วยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแตกต่างกันอย่างไร พันอุเบคขาที่ที่ถูกต้องนั้นเป็นอุเบคขาที่รู้เหตุรู้ผลนะรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนเนี่ยนะด้วยปัญญาทั้งนั้นเลยอันชีวิตของผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยอุเบคขาในที่นี้คือดํารงอยู่ด้วยปัญญาอย่าลืมว่าคนพิการทางปัญญาก็เฉยเหมือนกันนะคนที่พิการทางปัญญาก็เฉยแต่เฉยแบบนั้นไม่เป็นบารมีเนี่ยนะเฉยแบบนั้นไม่เป็นบารมีเฉยที่เป็นบารมีก็คือเฉยด้วย ปัญญาเฉยที่รู้รู้องค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยนะแต่คําว่าเฉยในที่นี้เฉยแล้วก็อยู่เฉยเฉยใช่ไหมไม่ใช่อุเบกขาตัวนี้หมายคขาว่าแล้วก็ในที่สุดก็น้อนไปเพื่อจะให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมะคือบา ร, รมีจะหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะหมุนรอบตัวเองเมื่อเมื่อมีอุเบกขาอย่างนี้ทําไงก็น้อมไปให้ทานรักษาศีลเจริญเขาบอกว่าอุเบกขาในสัตว์และสังขารแต่ไม่เคยพอในกุศล อย่าลืมว่าคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าเหตุปัจจัยสองอย่างที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือไม่สันโดษในกุศลบอ ก, พ อ, บอกอพอแล้วกุศลเอ้ยพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วใจของเราเป็นบุญแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีพันไม่สันโดษในกุศลคุณงามความดีที่ไม่สันโดษในคุณธรรมเลยอันที่สองไม่เคยทิ้งความเพียรที่จะให้ได้รับคุณธรรมเหล่านั้นไม่ทิ้งความเพียรที่จะเพิ่มพูลด้วยคุณธรรมเหล่านั้น บารมีทุกข้อเนี่ยนะเกิดจากกรุณาทั้งหมดเกิดจากกรุณาที่เป็นความฉลาดของผู้มีปัญญาคนที่มีใจกรุณาและฉลาดด้วยออกมาผลออกมาจะเป็นยังไงสงสารคนอื่นจับใจแล้วฉลาดอะ่ะสงสารจับใจแต่งโง่อันนี้ก็เดือดร้อนนะไม่เชื่อเขาแบบปวดท้องมากเดี๋ยวจะผาให้ถ้า่งนั้นก็เดือดร้อนแน่เนี่ยนะไม่ฉลาดเลยนะบอกปวดหัวมากเดี๋ยวจะพาหัวดูที่มีอะไรมีแมลงเข้าไปช้อนใจข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาออกให้ ว่คนโง่ก็มีเรื่องในเรื่องหนึ่งก ห, หมู่บ้านของคนโง่โง่ถึงขนาดที่เรียกว่ า, มาแมลงวันมาตอมที่ศีรษะใช่ไหก็เลยเอามีดฆ่ า, มาแมลงวันผ่าหน้าผากเลยนะผ่าหน้าผากพ่อเลยนะจะฆ่ า, มาแมลงวันเนี่ยนะ มันบารมีนั้นเกิดจากกรุณาที่เป็นไปด้วยความฉลาดเนี่ยนะเต็มไปด้วยความฉลาดเต็มไปด้วยสติปัญญามองประโยชน์ออกว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรจริงอยู่ทานเป็นต้นคือทานศีเนฆะธรรมปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยกำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณากรุณาคือเจ้าของเจ้าของโครงการทั้งหมดนี้อยู่ที่กรุณาแล้วก็ปัญญาก็เป็น เป็นเหมือนกับคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์มากปัญญาเนี่ยเกรงใจกรุณากรุณาเป็นเจ้าของช่วยเขาหน่อยปัญญาบอกช่วยเขาได้ยังไงไปคิดเออคิดเออต้องให้ทานนะจึงจะช่วยเขาได้กรุณาบอกไหมอยากช่วยให้เขาพ้นทุกปัญญาก็บอกเลยเออต้องทานปัญญาบอกเออนี่ตอนนี้ต้องศีลต้องเนคขัมมะต้องปัญญาต้องวิริยะต้องปันติต้องสัจจะต้องอุเบกขาเนี่ยนะเขารู้เวลาไหนที่จะต้องเจริญคุณธรรมอะไรนั่นด้วยอนุภาพของกรุณา แต่ถ้าตั้งคําถามว่าแล้วกรุณามเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเกิดจากเมตตาผู้ที่มีกรุณาจริงเนี่ยคือผู้ที่มีเมตตาทําอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจะได้ประโยชน์และความสุขที่อื่นนี้บอกกันเลยว่าบารมีทั้งหมดเกิดจากเมตตาถ้าไม่มีเมตาน้อมนําประโยชน์ถ้าไม่มีเมตามาามมเมตาต้องการให้สัตว์ได้รับประโยชน์จะรู้ไหมว่าสัตว์กําลังได้รับความทุกข์อยู่เนื่องจากเข้ารู้ว่าผลประโยชน์ที่สัตว์ควรได้รับคืออะไร เขาจึงรู้เมื่อสัตว์ไม่ได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นก็คือเขากําลังเสวยทุกข์อยู่นะทำยังไงเขาจะได้พ้นจากความทุกข์แล้วรับประโยชน์สูงสุดเหล่านั้นเท่าที่เท่าที่จะได้ะฉนนั้นด้วยเมตตาน้อมนําประโยชน์สุขคือมรรคผลนิพพานเข้าไปให้แต่เขาไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเขากําลังเดือดร้อนอยู่ควรแล้วที่จะกรุณาเขาช่วยให้เขาออกจากกองทุกข์แล้วประสบแต่ความสุขและความเจริญเนี่ยนะ อันนี้คุณธรรมเหล่านี้เป็นไปในสันดานของพระโพธิสัตว์นะตรงนี้เพราะรมากเลยนะสันดานไม่ไดิเลวอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆเนี่ยศัพท์ดีๆทั้งนั้นเลยน ะ, ะบางเรื่องเนี่ยอย่างคำว่าสันดานเนี่ยสันดานแปลว่าสันตตินั่นแหละมันสืบเนื่องคุณธรรมเหล่านี้ที่ไหลไปสืบเนื่องในจิตใจเรียกว่าสันตานนะก็คือสันตติที่มันไหลสืบเนื่องเป็นไปอย่างยืดยาวนี่นะ คุณธรรมเหล่านี้ที่ไหลไปอย่างสืบเนื่องยืดยาวด้วยอำนาจของกรุณาปัญญาที่จัดแจงรู้เลยว่าขณะนี้ควรจะให้ทานขณะนี้ศีลขณะ น, นี้เนคธรรมะขณะ น, นี้ปัญญาขณะ น, นี้วิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาการุณาก็พยายามเจริญไปอย่างนั้นอ่ะกรุณาก็ทําให้ปัญญานี้ทํากิจมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะกรุณาก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นปัญญาก็ทํางานมากขึ้นน่าเหนื่อยนะทําไมไม่เหนื่อย คำว่าเหนื่อยนี่เป็นชื่อของคนที่ขาดปัญญาหรือขาดการุณาคนที่มีกรุณามีปัญญาจริงๆเนี่ยปัญญานี่ถือว่าเป็นกําลังอย่างหนึ่งคนที่มีปัญญาเขารู้ไหมว่าจะสร้างศรัทธาได้อย่างไรคนที่มีปัญญารู้ไหมว่าจะสร้างวิริยะสร้างสติสร้างสมาธิได้อย่างไรและเพิ่มพูนคุณภาพของปัญญาได้อย่างไรความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะเกิดจากเราไม่มีกําลังทั้ง5ประการเชื่อได้เลยว่าท้อใจเมื่อไหรเบื่อหน่ายเมื่อไหรนะ ไม่ไม่เต็ม อ, อกเต็มใจในการเจริญกุศลเมื่อไหร่ขนาดนั้นใจไม่มีกําลังเลยดูว่าขาดศรัทธาเมื่อไหร่ก็หลอกหลอกเปลี่ยเห็นทนาดวิโอก็เปิดไม่ได้นะโตโตเนี่ยนะนะเ น, นี่ยนะครับมันหมดแรงแล้วไม่มีแรงที่จะเปิดคัมภีร์แล้วว่า ง, งั้นเถอะมันก็ขาดศรัทธาก็ไม่มีแรงขาดความเพียรก็ไม่มีแรงขาดสติก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงท้อไปหมดฟุ้งซ่านนี่ก็เรียกว่าขาดกําลังใจแล้วก็ทั้ ง, งโง่ด้วยก็ไปกันใหญ่เลยกรณี ก็ต้องอย่างไงก็ได้นะให้มงคล38แกัละกันตอนนี้เราได้รู้จักพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นมงคลเหือนนนะผู้ที่เป็นมงคลพราะว่าพุทธเจ้าคือบุคคลที่สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเรารู้จั ก, ล, ก, จกลักษณะที่จตุกะลักษณะ รักษาปัจจุประธานประฐานแห่งบารมีที่เป็นปุพพจริยาคุณคุณธรรมที่พระองค์ได้เจริญตลอดระยะเวลาสี่สงไขยแสนกลับด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากแลกด้วยร่างกายเลือดเนื้อและชีวิตทนทุกขทรมานตลอดกลับเป็นอเนกก็เพื่อประโยชน์เ พ, เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะมอบมอบความไว้วางใจให้แก่พระองค์ทุกประการว่าพระองค์ช่วยเราได้ที่เขาเรียกว่าโลกก น, นายนก พระผู้นำโลกเนี่ยนำโลกออกจากไหนพระองค์นำออกจากอบายทุคติวินิบาตานรกนำออกจากสังสารทุกข์นำออกจากวัตทุกข์จัดแจงเราเข้าหาแต่ประโยชน์และความสุขเราก็จะปล่อยกายปล่อยใจให้พระองค์ได้นำอย่างเต็มที่ไม่งั้นก็หวาดระแวงเพราะถ้าหวาดระแวงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าหวาดระแวงในพระธรรมหวาดระแวงในพระสงฆ์ถ้าหวาดระแวงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หวาดระแวงในศีก ข, ขา ในข้อปฏิบัติถ้าหวาดระแวงในศิกขาเมื่อไหรก็หวาดระแวงในปฏิสันฐานหวาดระแวงในสมาธิวาดระแวงในคุณงามความดีหนักๆเข้าก็เลยบอกระแวงทุกเรื่องไม่ระแวงแต่ใจตัวเองนั่นแหละไม่ระแวงแต่ใจที่ระแวงเนี่ยมันน่าระแวงขนาดไหนบางคนบอกอู้ยเบื่อเหลือเกินแต่ไม่เคยเบื่อไอ้ความคิดตัวนั้นเมื่อใดที่เบื่อความคิดตัวนั้นได้ก็เบื่อจากวัตฏะได้จริงเมื่อใดที่ระแวงแม้กระทั่งความคิดที่น่าหวาดระแวงเนี่ยนะ ไอ้ความคิดอันนั้นเนี่ยน่าระแวงที่สุดว่าทำไมจึงต้องระแวงในพระรัตนาตรายัยถ้าวาราว่าระแวงหรือสงสัยในคุณพระรัตนตรยัยเมื่อไรให้รู้เธอว่าเรารู้จักคุณของพระองค์น้อยไปเนี่ยนะหลายคนที่ปฏิบัติแล้วไม่เจริญงอกงามในพระศาสนาตอบตรงๆได้เลยว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเพราะผู้ใดที่รู้จักพระพุทธคุณอย่างแท้จริงที่เขาจะไม่ปฏิบัติตามคําสอนเป็นไปไม่ได้เนีย่ยนะเพราะเขารู้ว่า ในโลกนี้จะมีใครหวังดีต่อเขาจริงๆเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามผู้ใดที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเท่ากับปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะอย่างคนที่จะพูดแบบชาวโลกหน่อยนะคนที่ทำงานเพื่อรับค่าจ้างเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าทำงานรับค่าจ้างที่มันดีที่สุดสูงที่สุดมีใครขี้เกียจบ้างไหมที่จะทาอย่างนั้นนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะประโยชน์สูงสุดขนาดนี้อีกแล้ว นะพระพุทธเจ้าเป็นเจ้านายที่ที่ที่ทประเสริฐสูงสุดจริงๆริอ่ะนะเราก็เลยสวดกันเมื่อกี้ใช่ไหยข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอรสระเหนือข้าพระเจ้าข อ, ขอให้ได้เป็นทาสของพระพุทธเจ้าจริงจริงกันทุกคนสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาด้วย